พุทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสนาส น, นานะคะเรามาสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุณโกกันค่ะจากเรื่องรอบตัวทั้งหลายนะคะที่จะมาถ่ายถามท่านก็ต้องการที่จะให้ท่านนั้นได้ให้ความรู้ท่านฟังทุกๆท่านรวมไปถึงตัวของเยนเองด้วยนะคะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนในเรื่องนั้นๆเอาไว้อย่างไรคะ่ะรายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุ f m ฟเอนะคะครอบครัวข่าว เป็นสถานีวิทยุที่ถ้าเปิดทิ้งไว้ทั้งวันแล้วก็ฟังทั้งวันเนี่ยจะเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกเรื่องอย่างแน่นอนเรามาเริ่มต้นกันด้วยที่รู้เรื่องคําสอนของพระาศาสดาที่รู้แล้วต้องการจะให้นำไปสู่การปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดผลผลนั้นล้วนเป็นผลดีนะคะถ้าทําตามอย่างถูกต้องกับตัวของทุกท่านเองค่ะเป็นมงคลในการที่เราจะเริ่มต้นวันกันไปกราบในวสการพระมหาภัยบุญอภิบุญโน้ด้วยกันนะคะ นวส ก, การกท่านคะเจ้าพานเป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มาพบกันอยู่เรื่อยๆดิฉันคิดว่าการการฟังทำตามการเนี่ยพระรูญช่าว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งใช่ค่ะท่านคะ<ม>แล้วก็การที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยดิยฉันว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะคะอ๋อใช่ใช่ใชเพราะมันเหมือนกับว่าร่างกายที่มีอยู่นี่แหละทําให้เราสามารถจะทำในสิ่งที่มันดีให้กับทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ กับคนอื่นได้ืม้กระทงสนได้ใช่ค่ะจะพาตัวเราเองไปสู่ในจุดที่มันทุกข์น้อยลงดิฉันเองไปกราบหลวงพ่อคูนก็ต้องบอกว่าเกิดความสลดใจหลายอย่างนะคะคืออย่างแรกก็ได้เห็นร่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่นอนอยู่ในโรงซึ่งเ้าก็เปิดช่องให้มองเห็นเนี่ย ใจหายค่ะเป็นโรงเย็นถูกไหมโรงเย็นใช่ค่ะคือครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวเดินที่แี่ฉันได้มีโอกาสไปกราบท่านอืมในแต่ละครั้งนี่ก็มีความรู้สึกว่าโอ้เป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตามากแล้วเป็นอาจารย์เนาะค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งระดับหนึ่งอ่ะคือระดับพระสงฆ์ของพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะให้ธรรมะกับประชาชนให้เป็นที่พึ่งอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะกับคนจํานวนมากมายมหาศาล หลายชาติแล้วก็ท่านยังได้ชื่อว่าเก่งกล้าทางด้านวิชาอาคมที่เาเชื่อกันนะคะ mm hmm. แต่เมื่อถึงวันวันหนึ่งเมื่อท่านอายุเก้าสิบกวา่าท่านก็เป็นไปตามธรรมชาติ mm hmm. ก็คือว่าก็มรณาภาพ mm hmm. พอออกจากที่นั่นไปเจอเพื่อนๆ น, น้องๆเก่าจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดซึ่งนี่เคยทำงานเกี่ยวข้องอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเกือบสมสิบปีนะคะ น้องๆก็บอกว่าอุ้ยดีใจมากที่ยังจำเขาได้เพราะว่าหลายคนก็เป็นคนรุ่นหลังมากมก็เริ่มเล่าให้ดิฉันฟังค่ะว่ารู้ไหมคนนั้นคนนี้คนโน้นเสียชีวิตแล้วล้วนแล้วแต่เป็นคนในรุ่นคนเดียวกับที่ฉันทางนั้นเลยโอเอ้คนนี้เป็นมะเร็งนะลูกแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนเสียชีวิตละคนนี้ดื่มเหล้ามากนะคนนั้นคนนุ้ดอุ้ยทําไมร่อยหรอลงไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะคะใจหายก็เลยทําให้เกิดความสลดสังเวชขึ้น ใช่ค่ะทีนี้อย่างกับกรณีที่ได้ไปงานของหลวงพ่อคูณอีกอย่างหนึ่งคืฉันก็ได้พบว่าข้อความในสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้แล้วจับใจคนหลายข้อความแต่ข้อความหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านที่ปรากฏเด่นชัดก็คือเรื่องของการให้ใช่ไหมคะก็เลยสรุปเอาไว้ว่าท่านได้พูดเป็นประโยคเด็ดว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมด มันยิ่งได้อืมก็อยากจะมากราบเรียนถามท่านสิคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยดี่ท่านคิดว่าเราเข้าใจกันกลับทางนะคะมีแต่ยิ่งเอามันยิ่งได้ยิ่งให้ไปกลัวหมดอ๋อค่ะท่านคะคือถ้าถ้าเราจะดูที่คําพูดของหลวงพอ่อคูณตรงนี้แล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับว่าเอ๊ะอาจจะสอดคล้องกับที่พระรูชาตรัสไปตรงไหนเนี่ยอในที่ที่ท่านได้พูดเอาไว้เปรียบเทียบกัน ระหว่างการที่ได้กับเอาใช่ไหมแล้วสละกับยิ่งมีเนี่ย เ, เวลาที่จะเปรียบเทียบกันตรงนี้ก็พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบระหว่างการให้กับความตรนะหนี่ซึ่งวันนี้เรจะเป็นคู่ตรงข้ามกันแตนะ่เราจะเอาชนะความตระหนี่ได้ก็ด้วยการให้นะพอ ใ, ให้แล้วก็จะได้ได้อะไรในที่นี้แน่นอนก็คือได้บุญนะแล้วก็บุคคลที่สละออกด้วยการให้ทานเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้ได้ โควคาซับต่างๆนะอันนี้ที่เป็นพุทธบทก็จะตรัสไว้ถึงอันนี้สงของการให้แล้วก็โทษของความตรณีแล้วก็จะทําให้มีโคทคาซับน้อย่ะจะเป็นคนที่เข็นใจไร้โควคาซับไร้สมบัติเพราะว่าความตระณีอันนี้ก็เปรียบเทียบกันเอาไว้แต่เนี่ยค่ะพูดถึงอย่างที่ท่านพูดเนี่ยยังคิดว่าคนบางคนเนี่ยส่วนมากด้วยนะคะ โดยเฉพาะคนที่ยังไ ม, ไม่ไม่รวยใช่ไหมคะหมายถึงว่ายัางมีเงินที่มันพอใช้อหัวเดือนชนเดือนหรือยังมีงยังมีน้อยอยู่เช้าเย็นหมดอะไรฮายังมีน้อยเนี่ยก็มักจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่อดออมเนี่่เขาก็สอนใช่ไหมคะอะแล้วเราให้ไปหมดเนี่ยอนาคตจะทําอย่างไรพรุ่งนี้จะทําอย่างไร อ, อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็มีที่พระพุทธเจ้าสอนถึงการแบ่งใจทรัพย์เอาไว้ นะโดยสมมุติว่าถ้าเราได้ทรัพย์มาแล้วนะทรัพย์นี้ต้องได้มาด้วยเป็นไปตามธรรมนะโดยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโบกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรได้มาโดยทําแล้วเราก็รู้จักในการแบ่งใจ่ายให้เป็น4ส่วนนะโดยในส่วนแรกเนี่ยเอาไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวใช้ใจ่เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคู่ครองเลี้ยงบุตรภรรยาพ่อแม่อะไรต่างๆนี่คือส่วนที่1 ส่วนที่สองนี่ก็คือเอาไว้สําหรับในวันฝนตกและก็คือเก็บไว้ใช้ในยามยากอันนี้ต้องมีแบ่งส่วนที่สองเอาไว้ส่วนที่สามและสี่นี่คือเป็นส่วนที่ให้เปล่าแส่วนที่ให้เปล่าส่วนที่สามเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเกื้อกูลสังคมช่วยเหลือญาติหรือเป็นการสละออกโดยเป็นการช่วยเหลือไม่ได้หวังบุญตรงนี้ส่วนที่สามแล้วส่วนที่สี่เนี่ยเป็นการสละออกเพื่อที่จะหวังบุญแต่ส่วนที่สามกับส่วนที่สี่ที่ว่าเป็นการสละออกไม่ได้เก็บเอาไว้เนี่ยสละให้ คนอื่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนที่4เนี่ยเอาไว้ให้ในเนื้อนาบุญเนะ่ยเพราะว่าเราหวังบุญก็ต้องให้ในเนื้อนาบุญแต่ว่าส่วนในส่วนที่3เนี่ยก็คือบางทีญาติมาขอยืมบ้างนะหรือว่าจําเป็นนะ่ยต้องจ่ายเบีย้ยสังคมเนะี่ยเช่นงานศพงานอะไรต่างๆเอาก็เอาส่วนที่3มเนี่ยมาออกซะนะให้มีการแบ่งใจ่ายใน4หน้าที่แบบนี้พนะระพุทธเจ้า ต, ตรัสไว้อย่างนี้คุณโยมทีบอกว่าทรัพย์ใดเนี่ยหมดไปสิ้นไป โดยเว้นจากหน้าที่4ประการแบบนี้นะถ้าไม่ได้ทําหน้าที่4อย่างนี้นะมันจะทําอย่างเดียวอีก2อย่างหรือ3อย่างไม่ได้ทำํำเช่นสมมุติว่าถ้าเราแบ่งจ่ายไว้แค่หน้าที่ที่1นึังเงินส่วนที่จะเก็บไว้ส่วนที่2ที่3าและที่4เนี่ยเอาไปเล่นการพนันอย่างนี้ไปตอนนะแสดงว่าคุณพลาด3าหน้าที่หลังละนะถือว่าทรัพย์นั้นใช้ใจ่ายไม่ได้โดยชอบด้วยเหตุผลนะไม่ได้โดยชอบด้วยเหตุผลเป็นการจ่ายทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องนะคุณจะเจอความทุกข์แน่ แต่ถ้าเราแบ่งจ่ายทรัพในสีหน้าที่นี้แบ่งจ่ายสีหน้าที่นี้แล้วก็ตัวเลขสัดส่วนนี้ก็แล้วแต่เราปรับเอาให้มันเหมาะ <Okay. S 1> สมนะบางเดือนมากบางเดือนน้อยก็ปรับกันไปเราก็ถ้าใช้ใจ่ายในสีหน้าที่นี้นะการทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยให้มันหมดไปเลย <Okay. S 1> ให้มันหมดไปเลยถือว่ายังใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องนะ <Okay. S 1> เพราะว่าอย่างส่วนที่2นี่ก็คือเก็บไว้ก็คือ <Okay. S 1> ใช้ในการเก็บแต่อันนั้นมันก็ยังมีอยู่ ใ น, ในวันยามยากยามฝนตกค่ะงั้นเท่ากับว่ า, าพุทธพจน์ของพระพุทธองค์สี่อย่างให้ใช้กับตัวเองครอบครัวรอบข้าง น, นะคะเก็บไว้ใช้ในยามยากกับให้เปล่าในส่วนของบริจาคให้สังคมให้ญาติให้เพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสละในเนื้อนาบุญคือทําบุญเนี่ยว่ายง่ายใช่หลักการดังกล่าวนี้ ในคํากล่าวที่เกี่ยวกับยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้เนี่ยก็มีส่วนที่ถูกต้องบางส่วนก็คือว่าถ้าทรัพย์เราหมดสละให้หมดใน4หน้าที่นี้ ค, นความหมดไปสิ้นไปตรงเนี้คือคุณจะได้ได้อะไรได้การบริหารจัดการที่ถูกต้องทรัพย์นั้นถือว่าหมดไปสิ้นไปโดยชอบด้วยเหตุผลพุทธชาวางนี้ค่ะคือท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะอืม ถ้าเราจ่ายไปแม้หมดแต่หมดด้วยเหตุผลี่อย่างนั้นสี่หน้าที่นั้นก็ถือว่าเป็นการใช้จ่ายอย่างถูกต้องที่จะไม่เดือดร้อนถูกต้องถูกต้องโดยชอบด้วยเหตุผลเป็นปกติแล้วที่บอกว่าถ้าถ้าจะเปรียบเทียบหาตัวอย่างมาสักหน่อยนะคะยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ได้อะไรกันนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วคนเขาจะมากล่าวหาเราว่าเราไม่ได้ใช้ จ่ายโดยชอบด้วยเหตุผลเนี่เขาจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่รู้จักบริหารงานบริหารเงินใน4หน้าที่นี้เนี่ย <Okay. S 1> เขาแสดงว่าต้องรู้จักการที่ได้มาอย่งโปรกรัพั์รู้จักความสิ้นไปอย่งโปรกระซับแต่ <Okay. S 1> เขาจะไม่ได้ถูกตําหนิโดยวินยูชนได้เลยว่าคุณอยาจจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยนี้ไม่ใช่ประเด็นคุณมีเงินน้อย ค, อ ค, คุณก็รู้จักการใช้จ่ายที่เหมาะสมคุณมีเงินมากคุณก็รู้จักการใช้จ่ายที่เหมาะสมเพราะมันก็มีส่วนที่เก็บมีส่วนที่ใช้มีส่วนที่สละออก ก็จะพระพุทชจาเปรียบเทียบเหมือนกับสระบกกรณีที่มีน้ําใสมีท่าน้ําราบเรียบแล้วก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้หมู่บ้านมีคนไปใช้งานได้แก็จะมีคนมาดูแลทำความสะอาดสระน้านี้ก็จะได้ประโยชน์อันนี้คือคือเป็นข้อที่ดีอันนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับในทางตรงข้ามต่บอกว่าสระแบบนี้สระดีๆแบบนี้มีน้าใสไหลยเย็นท่าน้าราบเรียบดี แต่ไปตั้งอยู่ในที่ที่เป็นที่ของอามนุษย์ในะที่ของอามนุษย์ก็คือแบบมียักษ์เฝ้าเอาไว้เราไปใช้งานไม่ได้นะอันนี้ก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะเงินคุณมีก็คือเหมือนกับตำหนีเอาไว้ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะหรือถ้าอีกแง่มุมหนึ่งคือถ้าไม่มีเงินใช่ไหมใช่แต่เป็นคนจนเนี่ยก็คือเหมือนกับบอ่อน้ํามันไม่มีน้ำอ่ะแล้วคุณไปตั้งอยู่ใกล้เมืองแล้วนะคนจะมาใช้มันก็ไม่ได้หรือถ้าน้ํามันชันมันลงไปไม่ได้หรือน้ําขุ่น มันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็คือเหมือนทรัพย์ที่เรามีน้อยหรือมากก็ตามถ้ามันไม่ได้เกิดการใช้เกิดประโยชน์ก็จะมีคนตําหนิตีเตียนได้โอ้ยบอ่อน้ํานี้ไม่ดีเลยอยู่ไกลไปนะหรือว่าบอ่อน้ํานี้ไม่ดีน้ํามันขุ่นไม่มีน้ําเขาก็จะว่าได้ตําหนิได้อย่างเงี้ยอืมเพราะนั้นคือความที่ได้ตรงนี้นั่นก็คือได้ความที่จะไม่มีใครตําหนิได้ได้การทําหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่มีใครกระหาได้เราก็จะได้บุญด้วย ในส่วนของรียทนคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงคนธรรมดาธรรมดาที่ยังใช้ชีวิตต้องดูแลครอบครัวแต่สมมุติอย่างเป็นพระสงฆ์อย่างเงี้ย น, นะคะ hmm. ซึ่งเราได้เห็นว่าเมื่อเร า, าได้ไปทำบุญถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยแล้วก็ท่านก็ได้นาเอาสิ่งที่เราไปถวายไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ hmm. สมมุติว่า อย่างกรณีของหลวงพ่อครูนี้นะคะโนงพยาบาก็คนจะเห็นว่าท่านสร้างโรงพยาบาลท่านสนับสนุนทางด้านของการศึกษาเป็นเงินจํานวนมากจํานวนมากก็เหมือนกับว่าท่านอาจจะใช้ไปมากๆบริจาคมาเท่าไหร่ท่านก็ใช้ไปเยอะๆคนก็ยังไปบริจาค ก, กันเยอะๆจะแปลไปในทํานองนี้อันนี้เป็นอันนี้สองของทานอยู่แล้วนะค่ะบุคคลที่ให้ทานอยู่เป็นประจําเนี่ยมีประเมินชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการจะแนกแจกทาน เป็นผู้ที่ควรเกี่การขอเนี่ยอันนี้ส่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเลยก็คือจะเป็นผู้ที่มีโพคาซั์มากมีโพคาซั์มากเพราะฉะนั้นเราให้ทานอยู่เป็นประจำบุญตรงนี้เกิดถ้าเกิดเป็นอะไรผลที่กลับมา ก, ก็คือจะเป็นสุขเวทนาที่มาตามภาษาต่างๆอาจจะมาในรูปแบบของการเลื่อนตนําแหน่งการได้โพคาซั์มากขึ้นหรือความสุขยังใดอย่างหนึ่งอันนี้มนันแปลมาในรูปนี้ได้แต่แต่จะแปลเป็นรูปนั้นได้คุณก็ต้องมีบุญไง ซึ่งบุญ <Okay. S 1> อาจจะแปลมาในรูปของเงินทองที่เข้ามาเป็นรูปของอชื่อเสียงกิตยิยศหรือความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งสิ้นแล้วนอกจากนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของทานเนี่ย <Okay. S 1> พ, พระพุทธเจ้าก็บอกว่าศีลเนี่ยเป็นมหาทานด้วยคือยิ่งกว่าทานน่ยมหานี่แบบว่าใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทานสมมุติว่าถ้าเราให้ทานเป็นเงินกี่ร้อยล้านพันล้านก็ตามแต่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งของที่ให้เนี่ยคือศีล แต่เพราะว่ามันเป็นการให้ชีวิตอะสมมติเราไม่ค่ายุงไม่ค่าใครเนี่ยมันเป็นการให้ชีวิ ต, ตซึ่งชีวิตเนี่ยบางทีมันมีค่ามากกว่าจํานวนเงินที่เราจะมาวัดได้นะพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าศีลเนี่ยจึงเป็นมหาทานอย่างหนึ่งทั้ง5ข้อนั่นแหละศีล5ข้อนั่นแหล ะ, ละและเรื่องของศีลนนะที่เปรียบเทียบว่าเป็นมหาทานเนี่ยก็ยังมีอา น, นิสงส์งที่มากกว่าการให้ทานนั่นคือการให้โดยการใช้สิ่งของภายนอกนั่นคือถ้าเราจะพูดถึงบุญนะประิมาณบุญที่ถ้า จะได้จากการที่ใช้สิ่งของภายนอกทำนะซึ่งในกรณีนี้เราพูดถึงการให้ทานเนี่ย ก, ก็ได้บุญระดับหนึ่งอันะนี้มันก็อยู่ที่ผู้รับด้วยอยู่ที่ผู้ให้ด้วยนะผู้ให้มีศรัทธามากน้อยเท่าไรผู้รับมีกิเลสนะมากน้อยเท่าไหร่นะนบุญที่เกิดขึ้นก็จะแปรปันกันไปค่ะท่านคะศีลเป็นมหาทานใช่นะคะแล้วก็คือได้ประโยชน์ในแง่ของอนิสง์จากทานต่างๆด้วย ฐานชั้นเลิศโดยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยก็คิดว่าพวกเราจะคุ้นกับเวลาที่เราไปขอศีลพระใช่ไหมคะตอนม่อยังพันเตทุติยามปิตติยามปิเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพระก็จะให้ศีลปานาติปาตาเวเรื่อยไปจนกระทั่งสุราเมระยะแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะสรุปใช่ไหมคะสีลอะไนะสุขเด็งยันติศีลไปเพื่อความสุข สีเลนะโภคสัมปทาสีไปไปเพื่อโภคทรัพย์ค่ะเนี่ยค่ะท่านค่ะเด่นก็เลยมีความรู้สึกว่าแค่รักษาศีลสมมุติอันนั้นแค่ศีห้าเองใช่ไหมคะมที่เรารัฒนาอขอสีตะ ก, กันใช่ใชแค่ศีห้าข้อเองก็เป็นไปเพื่อโภคทรัพย์หมายความว่ารักษาศีได้หข้อแล้วจะมีทรัพย์มากอย่างงั้นหรือไงคะโภคทรัพย์อันนี้มันจะมีความละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคือคบางคนอาจจะคิดว่าถ้างั้นฉันก็รักษาสีได้ใช่ไม่ให้ทานอ่ะ แตดงจิตแบบนี้มีความตระนันะคีความตะนันีเนี่ยก็คือคิดว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดงั้นฉันก็ไม่ต้องให้ทานเงินไม่เสียและได้บุญมากด้วยแต่มีความคิดว่างี้จิตแบบนี้ะตะนันีนะเพราะ อ, อะไรถึงบอกว่าตะนันีเพราะว่าคุณคุณแบบเหนียวไงแบบไม่ควักอะ่ะไม่เอาออก<ช>ไม่ยินดีในการให้ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้พระอรหันต์สองรูปพระอรหันต์สองรูปเป็นอรหันต์ทั้งสองรูปเลยนะหมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ แต่ว่ารูปหนึ่งไม่เคยให้ทานมาไม่ค่อยได้ทำทานอีกรูปหนึ่งได้ทำทานมามากสองรูปนี้เป็นพระอรหันเหมือนกันชาตินี้ชาติสุดท้ายเหมือนกันแต่รูปแรกที่ไม่ได้ทำทานเอาไว้มากเนี่ยก็จะไม่ร่ำรวยด้วยลาปัจเจีย4สีจะมีลาบปัจจัยกสีน้อยในขณะที่รูปที่2ก็ชาตินี้กชาติสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าได้ทำทานม า, มากชาตินั้นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ย ก็จะเป็นผู้ที่มีโพคาซัพ์มากคือหมายถึงมีลาบปัจจัย4มากนะสําหรั บ, รบพิสุเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ที่พระพุทธจ้าบอกว่าศีลเลยนะโภคสัมปธาเนียไอโ์โพคาซับที่พูดถึงเนี่ยมันอะไรกันแน่คือถ้าเราคิดว่าเราจะทําศีลเพื่อให้ได้เงินซึ่งเป็นเงินของทางโลกเนี่ยเป็นโบกรัเจ้ของดองโลกเนี่ยอันนี้มันยังหยาบอยู่ค่ะแตคือถ้าเป็นในทางเกี่ยวกับมนุษย์โลกของเรานะที่เราแบ่งเป็นประเทศปเทศอยู่นะปัจจุบันเนี้ยที่เราอยู่โลกของเราใบนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่าหยาบหยาบ ในหยาบหนี่ก็คือว่าเป็นการบุญที่เกิดจากการให้ทาน <Okay. S 1> ความหยาบตัวนี้มันก็อยู่ในระดับของโลกแต่ถ้าโกพกระซับที่มันละเอียดขึ้นไปนเช่นศีลโกพกระซับนั้นมันไม่มีในโลกนี้มันจะต้องเป็นระดับของเทวดา <Okay. S 1> ซึ่งเทวดาก็มีโกพกระซับไหมมีก็เป็นของละเอียดอันมาตั้งแต่ยกตัวยอย่างเช่นอาหารการกินไปตดนอะอาหารการ <Okay. S 1> กินของโลกมนุษย์เนี่ยมันหยาบเช่นว่าเราต้องไปซื้อมากินกินแล้วต้องเคี้ยวด้วย เคี้ยวเราต้องย่อยด้วยเปินพลัลางงานด้วยเราก็ต้องถ่ายออกมาด้วยอันนี้คือความหยาบของสิ่งที่เป็นอาหารในะความสุขทางลิ้นเป็นต้นอย่างนี้น ะ, ะแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยความละเอียดของเขาเนี่ยความหยาบความละเอียดมันเหนียวกันมากนะอาหารไม่ได้มาเป็นเป็นแบบว่าเราต้องไปซื้อกินนะเป็นสิ่งที่สําเร็จด้วยบุญนะนึกเอาก็ได้แล้วไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยปากนะมันเป็นรสทิพย์ที่อยู่ในลิ้นเลยแล้วไม่ต้องย่อยด้วยแล้วไม่มีอืด อ, ออกมา เนะ่คือเป็นแบบของละเอียดหมดเลยแล้วมันประณีตแบบนี้ที่ถามว่าของแบบเนี้ยเราหาได้ในโลกไหมไม่ได้นะ ซ, ซึ่งของลักษณะนี้หาไม่ได้ในโลกเนี่ยเวลาคุณจะได้ของแบบนี้คุณต้องไปได้ในสวรรค์เท่านั้น ค, คุณก็ต้องไปรอรับผลตรงนู้นแต่ถาม่า้ตรงเนี้ยมันจะได้จากการอะไ ร, ารการรักษาศีลนี่ใช่ส่วนใหญ่จะได้ออกมาผลเป็นอย่างนั้นการให้ทานนี่ก็จะได้ ถ้าบอกว่ามันออกผลปัจจุบันไม่ได้มันให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปเนี่ยมันก็จะมีทบต้นทบต้นของมันมันก็จะเป็นผลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นไปในภพบเบื้องสูงภพเทวดาอย่างไปต้นค่ ะ, ะความละเอียดความหยาบมันก็จะแตกต่างกันอย่างนี้นะอ๋อดังนั้นเนี่ยในความหมายที่สรุปเช่นนี้ได้เป็นการสรุปแบบภาพกว้างๆรวมๆใช่ใชทั้งหยาบละเอียด ถูกต้องก ต, กตงนะค ะ, ะ, คะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความหยาบหรือเป็นความละเอียดก็ะ д, จะได้รับผลก็จะตาม น, นั้นถูกต้องซึ่งซึ่งเราอย่าไปคิดว่างั้นฉันจะไม่ให้ทานก็ให้ด้วยก็รักษาศีลด้วยมันก็จะได้ทุกกระนาบทุกมิติอย่างนี้ค่ ะ, ะก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่เมื่อปฏิบัติกันไปจริงๆเดีย๋ยวท่งคิดว่ า, เ, าเขาเรียกอะไรคะจิต จิตใจเนี่ยจะเปลี่ยนไปเองนะคะใช่ใช่ใชจิตใจมันก็จะจะเบาจะน้อมจะลดความตรหนีไปได้ค่ะมีน้อยก็เริ่มต้นจากการที่จิตเต็มเปี่ยมแต่ไม่จำเป็นต้องไปแข่งบริจาค ก, กับใครเขากั น, น, น, นกอ่อนอันนั้นจะผิดวัตถุประสงค์เลยค่ะเราก็แบ่งจากงบประมาณที่เรามีน้อยก็น้อยมากก็มากอันนี้สัดส่วนพระพทเจ้าก็แล้วแต่เรากาหนดอยู่แล้วค่ะ คือเมื่อพูดในลักษณะที่ว่าเราพูดในทางบวกคือถ้าทำทำในสิ่งที่ทําสิ่ ง, งที่เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหม ม, มีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะนะซึ่งการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยผลที่ได้นะคุณโยมที่ผลที่ได้ถ้าถ้าเราดูตัวเผลผลเนี่ยอันนี้มันเป็นการกระทําซึ่งแน่นอนในทางกำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีเหตุต้องมีผล <น> <Okay. S 1> คุณจ้างเห็นด้วยกรารรักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานพวกนี้ผลที่ออกมาออกมาออกมาเนี่ยคือเป็นบุญนะบุญเนี่ยเป็นเหมือนกับวนะัตถุดิบในการที่คุณจะแปรรูปเป็นอะไรแนะปรรูปเป็นลาบประจัยสีได้แนะปรรูปเป็นชื่อเสียงกิติยศได้แปรรูปเป็นความที่คุณหนึ่งก็จะรักใคร่ยกย่องเยินยอเราได้แนะปรรูปในการที่เราจะทำจิตให้มันสูงขึ้นทาสมาธิให้เกิดขึ้น ทำนิพพานให้แจ้งอันนี้ได้บุญตรงนี้มันต้องหนุนกันต้องสนับสนุนกันคนจะมาเป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลมันต้องมีบุญแน่นอนค่ะซึ่งบุญก็อาศัยที่เราสร้างตรงนี้แหละศีลจะมาที่ปัญญามันแปลเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบนี้ก็ให้ผลออกผลมาต่างวาระกันต่างเวลากันมันก็ออกมาเป็นตามลําดับลําดับเป็นความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ดค่ะแล้วก็รึงเข้าใจว่า ถ้าในความหมายอาที่หลวงพ่อพคูณพูดเนี่ย น, นะคะยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้เนี่ยเราอาจจะพูดหนักไปในทางที่เป็นโพกซัพย์จับต้องได้ในการสละออกใช่ไหมคะมแต่ผลของการสละออกเนี่ยที่ท่านพูดถึงเรื่องการละความตระหนี่ใช่ไหมคะใช่นี่คือเรื่องในจิตค่ะซึ่งซึ่งอันเนี้ย ถึงคิดว่าเราน่าจะพูดกันถึงความสำคัญของการละความตรณีว่ามีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรคะถ้าหากว่าเราทำได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตเราจะเบา <c oughs> เพราะว่าความตรณีเนี่ยเป็นส่วนของอกุศลแสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งก็คือจะหนัก <c oughs> จะร้อนจะมืดจะเผารนจะมีความที่ไม่นิ่งถ้าเราสละไอสิ่งที่มีธรรมชาติลักษณะนี้ออกไป จิตลำก็จะค่อยๆลดความเป็นแบบนี้ลงไปสิ่งที่เหลือจะอะไรจะเหลืออะไรก็เหลือความเบาในเวลาเราวางของหนักไปมันก็จะเบาใช่ไหมเวลาเราความวางของร้อนไปมันก็จะเริ่มเย็นเวลาเราวางของที่มันวุ่นวายเราก็จะเริ่มนิ่งได้แตตรงนี้ถามว่าทําไมเราจิตใจมันไปแปะอยู่ตรงนั้นได้ก็เพราะว่ายังมีความยึดถือในเวลาวางความตรรณีตรงนี้ความยึดถือมันคลายไปแต่จิตเราก็จะเบาขึ้นดีขึ้น จิตที่เบาขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นเนี่ยคือจิตที่เป็นบุญแตจิตที่เป็นบุญเนี่ยสามารถที่จะมาทําความเข้าใจในเรื่องที่มันสูงยิ่งขึ้นไปในเรื่องเหนือโลกได้ตรงนี้ที่บอกว่ายิ่งได้เนี่ยคือมันได้สิ่งที่เหนือขึ้นไปเราจะไม่มีทางที่จะได้ของที่มันดีขึ้นไปเลยถ้าเรายังไม่มีช่องว่างที่ว่างเอาออกของที่มันไม่ดีออกแต่เราของที่มันไม่ดีออกเพิ่มช่องว่างให้ในจิตใจของเราใส่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ดีๆขึ้นมาได้อย่างนี้นะค่ะเพราะฉะนั ที่ได้ประโยชน์ยิ่งกว่าต้องถือว่าในลักษณะการได้ประโยชน์ของทันจิตเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งกว่าใช่แล้วการสละให้หมดเลยวางให้หมดเลยเช่นเช่นว่าในชีวิตของเรามีรายบ้างนะถ้าเราแบ่งให้ตามที่พระพุทธเจ้าแบ่งก็อะไรที่มันเป็นของแก่งของเหลวก๊าซก็เป็นรูปรวมเงินมาเป็นก้อนนี้เลย ค, ความรู้สึกความคิดนึกอะไรต่างๆก็เป็นนามในเวทนาสัญญาสิงการวิญ ญ, ญาณถ้าเราวางนามวางรูปต่างๆเหล่านี้ได้หมด นวางขันห้าได้หมดเลยเนี่ยนิพพานเลยนะอันนี้คือมันรูุเป็นพระอรหันเลยนะยิ่งได้สูงสุดเลยค่ะวางขันห้าได้หมดก็คือวางความรู้สึกเขาเรียกอะไรนะคะความทุกข์ความทุกขันห้าคือทุกข์ไงค่ะเข้าใจค่ะแต่ที่ฉันกําลังจะบอกว่าเมื่อเราแยกพูดมันกองๆอย่างเช่นเราจะพูดถึงขันห้าขันรูปขันกีละขันนะคะว่าเราวางเรื่องรูปได้ใช่คือการไม่ไม่ไปยึดในรูปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไปยึดในสิ่งที่เป็น องแกงของเหลวกา๊าซถ้าสิน้ําไฟลมใช้คําว่ายึดเนี่ยถูกไหมคะหรือว่าต้องใช้คําว่าอยากในรูย้ยึดถือยึดถือยึดถือในรู้ประทานถูกต้องยึดถือในเวทนาเวทนาความรู้สึกค่ะยึดถือในสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ค่ะคือไปนึกถึงเรื่องที่ผ่า น, านมาแล้วอย่างนี้สมบูรณใช่ใช่ใช่ไคะยึดถือในสังขารคือการปรุงแตง่ง ค่ะไม่ใช่ยึดในตัวตนของเราอันนั้นจกกัดว่าเป็นรูปถูกไหมคะถ้าในสังขารที่ในความเข้าใจของเราทั่ ว, วไปสังขารของหลวงพ่อคูณอืมอันนี้คือรูปถูกไหมคะอ่าใช่คือคือสังขารเนี่ยบางทีพระพรุทธเจ้าก็ใช้เรียกรวมกันท่าทั้งหมดะะแต่ขันท่าทั้งหมดเนี่ยเรียกรวมว่าสังขารก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นหนึ่งในห้าของขันห้าที่เรียกว่าสังขารแล้วอ่าก็คือส่วนที่เป็นการปรุงแต่งเฉยๆค่ะ อ่าเท่ากับว่าอย่าไปยึดในการปรุงแต่งคือคิดเอาโน่นเป็นอย่างนี้คิดเอานี่เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะการปรุงแต่งใ่ใช่ใชนะคะแล้วก็ในวิญญาณวิญญาณคือการการรับรู้ค่ะที่ท่านบอกว่าถ้าสล ะ, สะไม่ตรนีในสิ่งเหล่านี้ได้จะสามารถที่จะวางขันหน้าได้ไงวางขันหน้าได้ก็คือพ้นจากความทุกข์ได้เลยนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติประโยชน์ของการที่เราฝึกละ ความ<ล>ตน้นความถูกต้องนะีมันก็จะเป็นลักษณะการทํางานแบบเดียวกันเนะี่เป็นแพทเทิร์นของจิตแบบเดียวกันในการที่เราวางเนี่ยไม่เอาเนะี่ยทิ้งละเอาไม่ไม่ไม่ถือไว้เนะี่ยก็จะเป็นพลังงานเดียวกันเป็นลักษณะการทำงานเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนะี่ยเราฝึกทําฝึกทําฝึกทาปุ๊บเนี่ยเราก็จะวางได้หมดค่ะแล้วถ้าไม่ฝึกในวางยากจริงๆรอ๋อแน่นอนเลยนะคระเพราะว่า <laughs> <laughs> บางทีเราก็อาจจะคิดว่า บางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีใช้คําว่าอํานาจเหนือจิตกันแล้วกันค่ะอืงแล้วเธอได้ยินบางคนเขาบอกว่าโอ้เรื่องจะลดละเลิกอะไรหร อ, อเช่นหยุดบุรีเนี่ยทันทีที่ตัดสินใจเลิกก็ทิ้งเลยอืเลิกเหล้าเนี่ยทันทีที่ตัดสินใจเลิกก็ทิ้งเลยอืคนที่เด็กเดียวได้ขนาดนี้เนี่ยจะละพวกขันห้าเนี่ย ได้ง่ายอย่างเดียวกันไหมคะคือคือการลักษณะการทํางานเป็นี้คุณจอมติ๋วที่ที่จิตของเราไปติดกับกัรหน้าได้เนี่ยนะก็ด้วยความยึดถือลักษณะความยึดถือเนี่ยมันเป็นกาวเนี่ยมนยางเหนียวมีลักษณะแผ่ซ่านเป็นเครือข่ายนี่คืออุปทานนะความยึดถือถามว่าจิตของเราที่มันไปติดอยู่อย่างอย่างถ้าจะมาจะยกตัวอย่างเช่นปากกากับนิ้วมือของเรามือของเรานะจับปากกาอยู่นะมือของเราเนี่ย เปรียบเสมือนเป็นจิตแต่รับปากกาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นขันอาจจะเช่นรูปปากกาเป็นต้นแต่อะไรที่มือนไปติดปากกาได้เพราะมันมีกาวอยู่นะถามว่าจิตทิ้งไปติดกับรูปได้เนี่ยเพราะไอ้กาวเนี่ยคืออุ ป, ปาทานนี่คือตัวตนนะแต่เมื่อเราจะแซออกไม่ใช่ว่าเราทําลายมือหรือเราทําลายปากกาเราจะต้องปาดไอ้ส่วนที่เป็นกาวเนี่ยออกไปนะการที่เราจะปาดส่วนที่เป็นกาวออกไปเนี่ยคุณต้องมีอุปออกรณ์ นะอุปกรณ์ที่จะปาดแซะส่วนที่เป็นกาซออกไปเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ตัวๆไปต้องคมด้วยนะไม่ใช่แค่คมตำแหน่งคุณต้องรู้ตําแหน่งต้องแม่นยาําต้องมีแรงด้วยนะความคมเนี่ยเปรียบเสมือนกับปัญญานะความ ค, คมนะเปรียบเสมือนปัญญาแรงที่เราจะมาแซะให้มันถูกจุดรู้ตําแหน่งให้ถูกจุดใช้แรงให้เหมาะสมนั่นคือเปรียบเสมือนกับสมาธิค่ะนะเปรียบเสมือนกับสมาธินะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะตัดจะละจะวางได้เนี่ยปัญญากุลก็ต้องคม สมาธิคุณก็ต้องมีกํำลังค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอมันอาจจะมันอาจจะเกื้อหนุนกันได้บ้างแต่จะทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใช่ไหมคะในรายที่บอกว่าจะลดละเลิกนิสัยอะไรต่างๆได้ง่ายแตจะตัดะจะขันได้ง่ายหรือเปล่าเนี่ยอ่คือถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าฉันเลิกเหล้าแล้วก็เลิกได้เลยเนี่ยน ะ, ะสามเดือนสีเดือนแล้วก็ไม่ได้กลับไปดูอีกไม่ได้ไปสูบอีกไม่ได้กินอีกเนี่ยก็แสดงว่า จุดที่เขาตัดได้เนี่ยก็มีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาที่มีความเข้มแข็งก็เรียกว่ามีเชื้อดีละใช่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีเอาให้มั่นใจก็ใช้การฝึกปฏิบัติควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งดีแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคือบางทีเราตัดออกเนี่ยมันไม่เหมือนกาวปัจจุบันที่มันแบบแซะอะไนหลุดไปใช่ปะ่ะแต่มันเหนียวด้วยไงบางทีมันกลับมายืดติดอีก แต่เพราะนั้นคือมันไม่ใช่แค่ว่าตรงจุดที่เราตัดสินใจแล้วมันจบนะบางทีอีกสองสาวันก็มีคนมายั่วอีกมีคนมาให้สูบให้กินเราจะตัดตรงนี้ได้ไมันเพราะนั้นมีเราต้องคมอยู่ตลอดเวลาแตกําลังจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาค่ะและกำลังเนี่ยพูดจริงนะคะท่านอย่างสมมติฝึกสมาธิได้แล้วเนี่ยมันมีถอยด้วยหรือคะ เ, อเสื่อมได้เคลื่อนได้แน่นอนสมาธิเป็นของเคลื่อนได้อ๋อค่ะโอริชาใช้คําว่าจุตินี่แหละจุติคือเคลื่อนเหตุที่เคลื่อนคืออะไรกันคะ อ่าเช่นว่าคือถ้าเคลื่อนแบบไหนเคลื่อนแบบดีขึ้นหรือเคลื่อนแบบเร็วลงอ่าเคลื่อนแบบแย่ลงอ<บ>่าเคลื่อนแบบแย่ลงนี่ก็คือว่าเหตุของสมาธิเนี่ยเช่นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ค, <ะ S 2> คือมีศีลใช่ไหมนี่คือข้อที่หนึ่งถัดมาต้องมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็ถึงเป็นสมาธิได้นะศีลเนี่ยที่เป็นไปเพื่อสมาธิใช่ตรงนี้สําคัญนะศีลนี่ที่เราพูดถึงก็คือศีลหน้าธรรมดานะศีลหน้าเนี่ยถ้าเรามีความหมายเบื้องลึกขึ้นไปก็คือความเป็นปกติ แต่ความเป็นปกติในเรื่องอะไรอยเช่นว่าคุณกินอาหารที่พอประมาณอยู่เป็นปกติคุณเสพเสนาสนะอันสงัดอยู่เป็นปกติในข้อที่2นะข้อที่3คุณสํารวมอินทรีย์อยู่เป็นปกติข้อที่4ี่คุณรู้จักการนอนการตื่นเป็นเวลาประกอบอยู่ในทําเป็นเครื่องตื่นอยู่เป็นปกติข้อที่5คุณรู้จักในการที่จะฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เป็นปกติในสิ่งเหล่านี้เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นความเป็นปกติที่จะเอื้อเฟือให้จิตนั้นเป็นสมาธิได้ค่ะเราดูอย่างเช่นว่าการรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่ใช่สมาธินะแต่ถ้าคุณรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ศีลในห้าข้อถูกไหมแต่ถ้าเรารู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยมันจะเอื้อทําให้จิตเป็นสมาธิได้ค่ะตรงนี้คือจุดที่ว่าศีลที่เป็นใบเพื่อสมาธิอันนี้ถ้าจะว่าไปเป็นภาษาเล่นกอล์ฟเลยก็ต้องบอกว่าเป็นทิปส์เลยนะคะคือเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคพิเศษที่ ถ้าเรารู้และนําออกมาปฏิบัติเนี่ยจะเคลื่อนหนุนต่อการที่เราจะเจริญหรือว่าจะรักษาสมาธินั้นเอาไว้ได้โดยไม่เสื่อมถูกไหมคะไม่จุติใช้คําว่าไม่จุติไม่เคลื่อนอืมอ่าไม่จุติไม่เคลื่อนนะค ะ, ะเดี๋ยวที่คิดว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะเราบางทีการกินการอยู่เนี่ยมันก็ล่อตาล่อใจอยู่ยิ่งถ้าอยู่ในที่ที่ หาได้อยูตลอดเวลาออยู่ในสภาพแวดล้อมก็อาจจะจุกจิบจุกจิบไม่เป็นเวลาเวลา <S 2> <S 2> <S ก็เกินความพอเหมาะพอประมาณไอันนี้ก็คือมันก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมด้วยค่ะมีความสปายะมีความเหมาะสมในเรื่องสถานที่ที่อยู่ก็รวมไปถึงเสพเสนาสนะด้วยถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วกอ็อะไรนะคะที่ต้องสังรวมอินทรีสังรวมอินซีตาหูจมูกลิ้นกายใจ รู้เสมอรู้ประมาณอรู้จักประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นก็คือนอนยามเดียวค่ะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นเลยไม่คอต่อย5นาที10นาทีอย่างงี้ค่ะคือเท่าหรือว่าต้องมาจัดระเบียบชีวิตให้มีวินัยอืมใช่ศีนี่คือเป็นวินัยอยู่แล้วศีนี่คือ ค, ความเป็นปกติอยู่แล้วท่านคะถ้าอย่างนั้นนะคะสมมุติว่ารักษาศีน5ละมาผนวก ด, ด้วยกับการที่เรามาจัดระเบียบเลยว่าเราจะรับประทานนะแต่ละมื้อ มีกี่มื้อใช่ไหมคะสมมุติว่าเราจะรับประทานสามื้อนี่แหละเอามื้อเดียวก็พอมั้งสมมติสิค่ะคโอเคสมมติคือเราเอาแค่ศีห้าถูกไหมค้ได้อันนี้พูดถึงว่าเป็นคารวาสอยู่กับบ้านละโอเคโอเคก็เตรียมเตรียมเสนาสนะที่บ้านเนี่ยให้เป็นที่ที่พอกลับมาจากที่ทํางานปุ๊บเนี่ยสปายะนะคะเออต่อการที่จะนั่งสมาธิและทีนี้ในเรื่องของการรับประทานเราก็คิดว่าทางสายกลางของ คนธรรมดาเนี่ยคะเนี่ยนะคะจะมากำหนดว่าก็สามมื้อเหมือนกันแต่เราจะรับประทานเพียงแค่ครึ่งเดียวครึ่งท้องนะอ่าแล้วก็รับประทานเป็นเวลาเพศ เ, เลยมไม่ให้เคลื่อนเพื่อที่จะฝึกวินัยของท้องแล้วก็เราจะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยวิทยุโทรทัศน์กระเสพให้น้อยเท่าที่จำเป็นดูข่าวนิดหน่อยสมมตินะคะแล้วก็จะไป คิดเรื่องน้นเรื่องนี้ก็พยายามไม่คิดไม่ไปฟังดนตรีเต้นรำใครเขาที่ไหนอนอนก็สีทุ่มเราจะนอนละเพื่อที่เราจะตื่นขึ้นมาปฏิบตัติอาจจะมไม่ได้ตามยามที่พระพุทธเจ้ากำหนดนะคะสมมติว่าเรานอนสี่ทุ่มเราจะนอนหกชั่วโมงล้วก็จะตื่นหกโมงเช้าอย่างนี้นี่ถือว่าเราได้กำหนดสีนที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิของตัวเราเองแล้วไหมคะถูกต้องสร้างความเอื้อเฟื้อให้ ะะสร้างความเวื้อเฟือให้แน่นอนก็ได้เวลาที่ลาพอดีเลยที่ฉันคิดว่าท่านฟังเนี่ยจะได้เทคนิคไปเยอะเลยนะคะจากการที่เราเริ่มต้นจากคําพูดของอหลวงพ่อคูณนะคะที่ว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งได้ก็เลยแตกมาถึงเทคนิคในการที่จะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นไม่เสื่อมหรือสมาธิไม่เคลื่อนไปจากเดิมได้ง่ายๆนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็อาจจะตั้งได้เร็วด้วยก็ได้ วันนี้ก็กราบน้อมักการขอบพระคุณพระมหาเพริบุญอภิปุโนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะน้อมักการค่ะเพื่อนฟังที่กรุบค่ะแต่การสัมนม น, น, นาสนทนานะคะก็คาดหวังว่าสิ่งที่เรานำเอามาสนทนากันนี้จะทําให้รู้จักคําสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นอย่างไรกันมากยิ่งขึ้นท่านตรัสเอาไว้ท่านเพริบุญได้ศึกษามาก็มาถ่ายทอดให้กับเราให้ฟังกันง่ายๆขึ้นนะนะคะหน้าที่เราก็เหลือเพียงแค่จะนําไปปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นวันนี้ เรานัดพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้านะคะดิฉันกับพระอาจารย์ูรบูสนทนากันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ส่วนท่านไิบูร์นั้นท่านมาทุกวันในเวลาเดียวกันนี้เลยนะคะพุทธสวัสดีค่ะ